สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยอพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่ยีิบห้ข้อยี่สิบเอ็ดจนถึงข้อ28ซึ่งจะเป็นการจบสุภาษิตบทที่25ในเช้าวันนี้นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่25ข้อ21จนถึงข้อที่28ถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขากินและถ้าเขากระหายจงให้น้ําเขาดื่ม พอเจ้าจะสุมฐานที่ลุกพโพลงไว้บนศรีรษะของเขาและพระยาเวจะประทานบำเหน็จแก่เจ้าลมเหนือนำฝนมาฉันใดลิ้นที่นินทารับหลังก็นำใบหน้าบูดบึ้งมาฉันนั้นอยู่ที่มุมบนหลังคาดีกว่าอยู่ร่วมบ้านกับหญิงขี่ทะเลาะข่าวดีจากแดนไกลก็เหมือนน้ำเย็นที่ให้แก่คนกระหายคนชอบทาที่ยอมแพ้คนธรรม ก็เหมือนน้ำพุมีคโคลนหรือเหมือนน้ำบ่อที่สกโปกกินน้ำพึ่งมากไม่ดีฉันใดสแสวงหาเกียร์ร่ำไปก็ไม่ดีฉันนั้นคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงพิรองครับข้อ 21-22 ได้กล่าวถึงพูดถึงการที่เราจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรครับประเด็นของสุภาษิตข้อ21 22อนี้ก็คือว่า เราจะต้องตอบสนองความชั่วด้วยความดีและการตอบสนองเช่นนี้ครับจะนำพระพรมาจากพระเจ้าและนำความกลับใจไปถึงคนที่ทำสิ่งชั่วร้ายพี่น้องครับการกองฐานลูกโพลงไว้บนศีสนั้นมีอย่างน้อย3ามความหมายด้วยกันความหมายแรกครับก็คือตามธรรมเนียมโบราณเมื่อไฟของใครดับที่บ้านครับ เขาหรือเธอจะต้องไปหาเพื่อนบ้านและขอฐานจากเพื่อนบ้านเอาฐานที่ลุกนะครับบางก้อนเพื่อจะทำให้ไฟจะลุกขึ้นมาอีกไฟบ้านของเขาจะลุกขึ้นมาอีกการถือฐานบนกระทะบนหัวนะครับก็เป็นเรื่องนี้นี่คือประการแรกประการที่สองก็คือว่าเป็นการกลับใจครับเนื่องจากว่าในธรรมเนียมอียิปต์โบราณ น, นั้นความหมายของการกลับใจนะครับ ก็แสดงออกด้วยการที่เขาจะต้องเอาฐานนะครับที่ติดไฟนั้นมาใส่ไว้ในถาดแล้วก็ทูนบนหัวครับเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการกับใจนี่คือประการที่สองประการที่สามครับการที่เราให้ฐานเพื่อนบ้านก็หมายความถึงการแสดงความรักเป็นหลักฐานของความรักที่มีต่อเพื่อนบ้านครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ให้สิ่งดีกับเพื่อนบ้านถือว่า เป็นการตอบแทนแม้ว่าเพื่อนบ้านนั้นจะเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ดีก็าตามถือว่าเป็นการตอบแทนความชั่วนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ผีสอนว่าเราจะต้องตอบสนองต่อความชั่วด้วยความดีวิธีการที่เราจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรนั้นก็คือเราต้องตอบแทนเขาในแนวทางที่เป็นมิตรตอบแทนเขาด้วยความดีเพียงอนคาพระวจนะของพระเจ้าในตอนอื่นๆนนั้นได้สอนให้เราที่เป็นคริสเตียนลูกของพระเจ้านั้นอธิษฐานเผื่อ อธิษฐานเผื่อศัตรูของเราอวยพรศัตรูของเราและขอพระเจ้าได้ยกโทษคนที่ทำผิดต่อเราเราจะเห็นว่าการปฏิบัติต่อศัตรูด้วยความรักความเมตตานั้นจะนำเขามาสู่การกลับใจได้และเปลี่ยนเขาจากศัตรูให้เป็นมิตรได้ต่อไปข้อ23ครับได้บอกว่าลมเหนือนำฝนมาฉันใดลิ้นที่นินทารับหลังก็นาใบหน้าบูดบึ้งมาฉันนั้น คนอิสราเอลนั้นสามารถที่จะเดาทิศทางของลมได้เมื่อลมเหนือมานะครับจะเกิดอะไรขึ้นเขาเดาถูกครับเช่นเดียวกันครับใครก็ตามที่สามารถคาดคะเนผลของลิ้นที่หลอกลวงได้นะครับก็คือเสียงต่างที่เกิดขึ้นจากคนที่นินทาลับหลังนะครับก็นํามาซึ่งความไม่พอใจนํามาซึ่งความโกรธนํามาซึ่งความแค้น การสอดเสียดนั้นนำไปสู่ความโกรธแค้นครับถ้าเราดูภูมิประเทศของปาเลสไตน์เราจะพบว่าถ้าลมเหนือพัดมานะครับมันก็จะพัดมาจากดินแดนซีเรียรซึ่งหยู่ทางเหนือครับไม่ได้พัดมาจากทะเลเมดิตเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นการกระหน่ำของลมเหนือนะครับก็มักจะเหมือนกับเป็นน้ำแข็งครับหรือฝนในหน้าหนาวซึ่งไม่เหมาะกับการ ปลูกพืชและเมื่อมันตกเมื่อไหร่มันก็จะทํำลายพืชผลของชาวนาชาวสวนได้เพราะฉะนั้นสีหน้าที่โกรธนะครับของคนที่เป็นเป้าหมายของลิ้นที่รอบกับนะครับคือพูดง่ายๆว่าก็คือว่าใครก็ตามที่ชอบพูดติชินินทาคนอื่นนะครับเป้าหมายของเขาก็คือว่าเขากําลังยั่วยุทําให้คนคนนั้นโกรธครับ ลิ้นที่ส่เสียดสามารถทำให้คนโกรธได้เหมือนกับลมเหนือที่นำฝนมาซึ่งมันจะนำการทำลายมานะครับเพราะฉะนั้นเหยื่อที่ไม่ระวังตัวเมื่อเขาได้ินการใส่ร้ายป้ายสีนะครับเขาก็จะตกเป็นเหยื่อครับผลประโยชน์ของคนที่จะเก็บเกี่ยวงานของเขานั้นก็เสียหายไปครับเพราะเนื่องจากว่าคำติฉินินทาคำว่าร้ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่หนักแน่นครับ ไม่ว่าเราจะได้รับการติชินนินทาไม่ว่าเราจะได้รับการกล่าวร้ายนะครับเราจะต้องนิ่งเพราะว่าจะไม่เกิดความเสียหายจะไม่เสียภาพลักษณ์ของเราเนื่องจากว่าเราสามารถควบคุมได้ครับโดยที่เราไม่โกรธต่อไปครับเป็นข้อที่24อยู่บนมุมบนหลังคาดีกว่าอยู่ร่วมบ้านกับหญิงที่ขี้ทะเลาะพังก็มีข้อนี้ก็เหมือนกับใน บทที่2 1ข้อที่เครับมันเป็นเพิ่มพีฝาแฝดพี่น้องกันครับเพิ่มพีตอนนี้นั้นได้ให้ความหมายของคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากครับการอยู่อย่างโดดเดี่ยวในที่คับแคบนะครับแต่มีสันติมีความรักมีความสุขนะครับมีความชื่นชมยินดีก็ดีกว่าการที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่เนื้อที่กว้างขวางนะครับมีเงินมีทองมั่งคั่งมากมายแต่ว่ามีภรรยาที่เข้ากันไม่ได้ ภรยาที่ขี้ทะเลาะเนี่ยครับคือปัญหาในครอบครัวครับพี่น้องครับเราไม่ยังเป็นต้องมีสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งลู่งร้าฟุ่มเฟือยบํารุงบําเลตันหาของเนื้อนหนังมากเกินไปนะครับเอาแค่อยู่สบายๆแม้ว่าจะไม่สะดวกแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบ ก, กับคนที่มีความร่ํารวยได้แต่เราสบายใจดีกว่านะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่กว้างขวางนะครับกับคนที่ดูเหมือนไม่รู้ใจนะครับกับคนที่อยู่แล้ว่ก็ทะเลาะกันตลอดเวลานะครับให้เราไปอยู่บ้านเล็กๆดีกว่าครับแต่ว่ามีความสงบสุขและมีความเข้าใจที่ดีมีความรักที่มีต่อกันกับคู่สมรสของเรากับพี่กับน้องกับลูกหลานของเราในข้อ25ครับข่าวดีจากแดนไกลก็เหมือนกับน้ำเย็นที่ให้กับคนกระหาย ผลของการได้รับข่าวดีจากเพื่อหรือญาติที่อยู่ดันไกลนะครับก็เหมือนกับน้าให้กับคนที่กระหายเพราะว่าเขาจะชื่นฉ่ำนะครับชุ่มชื่นใจในพระคัมภีร์นั้นในยุคนั้นข่าวสารเดินทางช้ามากครับไม่เหมือนกับพวกเราตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตสามารถคุยกันได้นะครับเห็นหน้าเห็นตากันได้ดังนั้นเองสมัยก่อนนั้นจึงมีระยะเวลาแห่งความโกรนกวายเพราะตั้งหน้าตั้งตาคอยครับรอคอยยาวนานมาก เมื่อมีญาติหรือเพื่อนจากแดนไกลเดินทางมาเพื่อที่จะเป็นเมสเซนเจอร์หรือส่งข่าวฝากจดหมายมาอะไรทำนองนี้ครับมันก็เป็นข่าวดีถ้าเป็นข่าวดีก็กลายเป็นความชุ่มฉ่ำใจเป็นข่าวดีที่ทำให้คลายจากความกังวลคลายจากความกรนกระวายในทางกลับกันครับถ้าเป็นข่าวร้ายและครับก็เหมือนกับเป็นอะไรที่ สามารถทำลายชีวิตของคนที่ฟังได้เลยทีเดียวต่อไปครับขันข้อ26คนชอบธรรมที่ยอมแพ้คนธรรมก็เหมือนกับน้ำผู้มีคโคลนหรือเหมือนน้ำบ่อที่สกปรกพี่น้องครับนี่คือการประนีปรนอมคนชอบธรรมที่ยอมประนีปรนอมชื่อเสียงของเขาเปรียบเสมือนกับการที่น้ำบริสุทธิ์ถูกมลภาวะมลพิษรบกวนครับคุณค่าของความบริสุทธิ์ของชีวิตของเขานั้นก็เสียไปนะครับ ความบริสุทธิ์ของน้ําหรือน้ําพุในชนบทนั้นมีความสําคัญมากครับแดนพังกัมพีบอกว่าเมื่อน้ําพุหรือน้ําบริสุทธิ์นั้นมีมลภาวะมันก็จะไม่สามารถบริสุทธิ์ขึ้นมาอีกได้ในทํานองเดียวกันครับคนชอบทําที่ได้ล่วงละเมิดทําผิดนะครับยอมแพ้กับคนธรรมหรือความาธรรมนั้นก็จะทําให้เสียกําลังใจนะครับเสียบทบาทหน้าที่เสียภาพลักษณ์ที่คนอื่นเคยนับหน้าถือตาเขาจะผิดหวังกันหมด เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจึงทําให้เป็นคําสอนสําหรับเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องรักษาความบริสุทธิ์รักษาธรรมะที่อยู่ในชีวิตของเรารักษาพระบัญญัติของพระเจ้ารักษากฎเกณฑ์นะครับคำสั่งของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าห้ามทําเราก็ไม่ควรทําครับอะไรที่เป็นบาปเราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแปดเปื้อนและเป็นมนทินชีวิตของพี่น้องชีวิตของผม ผมเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีน้ำมันไทยให้เราบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆครับและเมื่อเราพยายามที่จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราครับและเราจะสามารถสอนคนอื่นได้และเป็นแบบอย่างชีวิตกับคนอื่นได้ด้วยครับต่อไปครับเป็นข้อที่27กินน้ำผึ้งมากไม่ดีฉันใดการแสวงหาเกียรติร่ําไปก็ไม่ดีฉันนั้นพี่น้องครับคนที่พยายามยกย่องตัวเองนะครับ <c oughs> ยกย่องตัวเอง ก็คือคนที่แสวงหาเกียรติให้กับตัวเองนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งเลวร้ายพอๆกันกับการกินน้ำผึ้งมากจนเกินไปพี่น้องครับอะไรที่ทำมากจนเกินไปนะครับเราควรที่จะให้เกียรติตัวเองยกย่องตัวเองแต่พองามอะไรที่มากเกินไปนั้นมันเป็นสิ่งเลวร้ายครับทางที่ดีสำหรับเราก็คือว่าเราอย่าพยายามยกย่องตัวเองการที่คนอื่นยกย่องเรามันเป็น เรื่องที่มีสองแง่สองมุมครับก็คือบางคนยกย่องเราอย่างไม่สมควรคือแท้จริงแล้วคือยกย่องมากเกินไปแปลได้ขนาดดียวกันครับบางคนก็ไม่ยกย่องคนอื่นเลยไม่เคยชมเชยคนอื่นเลยไม่เคยชื่นชมคนอื่นเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่มีหรือน้อยเกินไปมันเป็นการสุดขั้วสุดกูทั้งสองด้านครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องอยู่ในทางสายกลางต้องมีความสมดุล น, นะครับขอให้คนอื่นยกย่องเราอย่างจริงใจและเราจะต้องถ่อมใจลงเช่นเดียวกันครับสุดท้ายครับในข้อที่28คนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนกับเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงถ้าไม่มีกำแพงนะครับเมืองก็เสี่ยงต่อการถูกค่าศึกโจมตีใช่ไหมครับการที่ค่าศึกโ จ, จมเขาจะต้องดูว่าช่องไหนของกาแพงนั้น มีเรียกว่ารอยทะลุหรือมีจุดอ่อนชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับถ้ า, าว่าเราขาดวินัยในชีวิตนะครับขาดการควบคุมตัวเองชีวิตเราก็ตกอยู่ในความเสี่ยงครับอย่าลืมครับพี่น้องครับในประสบการณ์ของผมที่อ่านพระคัมภีร์มาอธิบายพระคัมภีร์มานะครับของประธานเรื่องของการควบคุมตัวเองหรือที่เรียกว่าผลของพระวิญญาณเซลฟ์คอนโทรลครับเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องมีคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ชีวิตของเขานนั้ง่ายต่อการทำลายจริงๆครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ตกอยู่ภายใต้การยั่วยุจนกระทั่งเราควบคุมตนเองไม่ได้ในขณะเดียวกันครับเราจะต้องไม่เป็นคนที่เรียกว่าจุดติดง่ายนะครับจุดติดง่ายเมื่อความกดดันเข้ามาถูกจุดครับมีทริกเกอร์เข้ามาปุบ๊บเราจะต้องตอบสนองทันทีและสูญเสียการควบคุมตัวเองพี่น้องครับเราต้องมอบ นะครับการควบคุมตัวเองให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่านี่คือผลของพระวิญญาณสุดที่พระวิญญาณสุดนั้นจะผลิตผลแห่งการควบคุมตนเองในชีวิตของเราครับขอบพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านอาเมน